สวัสดีครับพี่น้องครับพี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อคริต์เยเซูตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าคำอุปมาตอนที่สี่ข่าวละมานพอพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสามพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสาข้อที่ยี่สิบสี่จนถึงข้อที่สามสิบโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระองค์ตรัสําอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่า ไปดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หวานพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นแล้วก็หลบไปครั้นต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นปรากฏด้วยทาบแห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแจ้งแก่นายว่านายเจ้าค่ะท่านได้วางพืชดีในนาของตนไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหน นายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทําของศัตรูพวกทาสจึงถามว่าขั้นปรัสนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวระมานหรือแต่นายตอบว่าอย่าเลยเลือกว่าเมื่อกําลังถอนข้าวระมานจะถอนข้าวดีด้วยใครทั้งสองําเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวระมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไบเสีย แต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุง้งฉางของเราพือน้ครับอุ ป, ปมารเรื่องข้าวละมานก็คือเป็นเรื่องราวของของปลอมของเทียมเพชรกับของจริงเราต้องใช้จินตนาการของเรานะครับแลวนองนึกภาพพระเยซูตอนที่ประทับอยู่ในเรือรงทรงสั่งสอนประชาชนที่ริมฝั่งทะเลที่นั่งอยู่บนเนินเผากันเราทราบว่ารงทรงสั่งสอนคาอุ ป, ปมานี้ ขณะที่พเยซูประทับอยู่บนเรือพี่น้องครับเราอาจจะประหลาดใจครับว่าในคําสอนของพระเยซูเรื่องอุปมาผู้หวานพืชจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เราได้คุยกันแล้วนะครับว่ามีดินใจอยู่สี่ชนิดแต่เวลานี้เรากําลังคุยกันว่าแม้ว่าดินใจชนิดที่สี่ที่มีการหวานลงไปในดินดี ก็ยังมีข้าวสาลีและข้าวละมานงอกขึ้นมาได้แท้จริงแล้วการหวานเมล็ดพืชนี้เป็นสูกําลังจัดให้สาวกหรือบรรดาผู้ที่มานั่งฟังเทศนะของพระองค์ว่าคดินสวัสด์นั้นเปรียบเหมือนกับคนที่หวานเมล็ดพืชที่ดีลงในนาแต่ว่าศัตรูมาแล้วก็หวานเมล็ดข้าวระมานท่ามกลางข้าวสาลีไม่มีใครทราบความแตกต่างของเมล็ดข้าว ทั้งสองจนกว่าเมล็ดนั้นจะเริ่ม ง, งอกเพราะว่าเมล็ดข้าวละมานงอกขึ้นมาในระยะแรกดูคล้ายคึงกับข้าวสาลีมากครับเมื่อเป็นเช่นนั้นรากของข้าวทั้งสองก็จะพันกันทีนึงครับเมื่อรากมันพันกันมันก็ไม่สามารถที่จะถอนข้าวละมานออกได้เพราะว่าถ้าว่าถอนข้าวละมานออกข้าวสาลีก็จะหลุดออกมาด้วย เจ้าของนาก็เลยสั่งให้คนใช้ว่าปล่อยให้มันโตขึ้นจนกว่าจะถือว่ดูเก็บเกี่ยวเจ้าของนาก็จะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นป้อนเอาไปเผาให้เสี่ยแล้วค่อยเก็บข้าวสาลีและเก็บเว้นลุงฉันเดียนะครับให้เรามาทําความรู้จักกับข้าวละมานครับข้าวละมานั้นคนที่หวานก็คือสัตวูครับและข้าวละมานั้นธรรมชาติของมันนั้นมีพิษ ถ้ากินเข้าไปแล้วจะทําให้เกิดอาการเวียนหัวและเจ็บปวดถ้ากินขนมปังที่ทํามาจากข้าวระมนันซึ่งมีลักษณะคล้ายข้าวสาลีคนที่กินเข้าไปก็จะเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงได้อย่างไรก็ตามครับเมื่อข้าวระมันนั้นโตเต็มที่ผู้เกี่ยวก็สามารถแยกแยะได้ครับว่าขืาวชั้งสองชนิดหรือข้าวชั้นสองชนิดมันแตกต่างกัน เพราะว่าข้าวระมาณที่นิทิจนั้นจะไม่สูงเท่ากับต้นสาลีคือมันจะเตี้ยกว่าครับเพราะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวนี่ง่ายมากครับมันจะแยกแยะกันออกมาได้สิ่งที่เป็นความหมายหรือคําอธิบายในคําอุปมาณนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาเกิดขึ้นในสมัยนั้นและชาวนาเขาก็ค่อนข้างจะฟังแล้วเข้าใจเลยครับ ในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือในประเทศอินเดียเวลาที่มีการข่มขู่วิธีที่ทําลายศัตรูเขาจะพูดว่าถ้าจะหว่านเมล็ดพืชเร็วลงในนาเจ้าก็เป็นอันเข้าใจว่าอันตรายจะเกิดขึ้นได้ครับมันเป็นการแสดงออกถึงความเครียดแค้นการแก้แค้นหรือความพยายามที่จะทําลายนาหรือข้าวในนาของศัตรู พระเยซูตัดเป็นขับ อ, อุกมาหมายถึงว่าพระเยซูมีความจริงฝ่ายวิญญาณที่ทําให้เราจะต้องรู้และสนใจตัวนีไ้ได้ค่ะอธิบายคําอุประมาณนี้ให้กับประชาชนที่นั่งนย่งฟังทะเลฟังครับแต่ว่าพระเยซู ค, คอยจงกระทั่ ง, งพระองค์และพระวจนะพระองค์อยู่ตารลาพังและพระองค์ก็อธิบายคํา อ, อุปมานี้นะครับในข้อที่สามสิบหกจนถึงข้อที่สี่สิบสาม พี่น้องครับในข้อที่สามสิหกจนถึงข้อที่สี่สิบสามผมอยากให้ที่น้องฟังนะครับพระเยซูทรงอธิบายครับอุปมารเรื่องข้าวละมานท่ากลางท่าสาลีข้อสามสิหกครับแล้วพระเยซูเสด็จไปจากคนเหล่านั้นที่เข้าคนเหล่านั้นเข้าไปในเรือนพวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองเข้าใจต่ออุปมาที่ว่าด้วยข้าวละมานในน้านั้น ต้องตรัสกลอบเขาว่าผู้หวานเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรบุตรมนุษย์แต่นานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าระมานได้แก่พลเมืองของมารร้ายศัตรูผู้หวานเมล็ดพืชชั่วได้แก่มารนั้นและดูเกี่ยวได้แก่เวลาที่ยุคและผู้เกี่ยวนั้นได้แก่ทุกส่วนเพราะฉะนั้นเขาเก็บข้าวระมานเผาไปเสียอย่างไรเมื่อเวลาที่ยุคก็จะเป็นอย่างนั้น บุตรมนุษย์จะใช้ทูตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและบรรดาผู้ที่กระทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ครกเคี่ยวเคี้ยวฟันคราวนั้นผู้ชอบทําจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของเขาดุจ ด, ดวงอาทิตย์ใสมีหูก็จงฟังเถิดนัครับในข้อสามเจ็บอกว่าเมล็กพืช ด, ดีนะครับ ผู้หวานเมล็ดพืชดีได้แก่บุตรบนุษย์หมายถึงพู้เฮาจูครับเมล็ดพืชดีหมายถึงพลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าและเข้าละมานก็เป็นพลเมืองของมาร้ายศัตรูผู้หวานเมล็ดพืชนั้นก็คือมารผู้เก็บเกี่ยวก็คือทูตสวรรค์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่น้องครับที่นี่ทําให้เรารู้ว่าเป็นไปนไม่ได้เลยครับ ที่เราจะแยกแยะบุคคลบุคคลที่มาจากมารสาการและรลอมตัวเข้ามาคนที่เรียนแบบของความชอบธรรมแต่จิตใจเขาไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลัง ส, สอนครับในคิเต จ, จักรทุกวันนี้ก็จะมีคนประเภทนี้ครับที่เป็นข้าวละมาน เขาไม่ได้ต้องรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตไม่ได้เชื่อและไม่วางใจไม่ได้มีความศรัทธาในพระเยซูอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นจิตใจที่ไม่ได้เชื่อนั้นก็เป็นจิตใจที่ไม่มีพระเจ้าอยู่เป็นจิตใจที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เป็นจิตใจที่ไม่ได้รับแผ่นดินสวรรค์ครับไม่ได้รับความรอดเลยเะะนี่นครับบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่แฝงตัวมา ในขณะเดียวกันครับก็เป็นบุคคลที่น่าสงสารเพราะว่าเขาไม่รู้จักตัวเองบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนของพระเจ้าแต่เข้าใจผิดตรงนี้ครับเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นไม่มีใครทราบครับว่าภายในใจิตใจของแต่ละคนนั้นคิดอย่างไรเชื่ออย่างไรมีความศรัทธาอย่างไรแต่ขอให้ผู้ใดก็ตามที่ได้ยินได้ฟัง เสียงจากสีบานนี้ในจุดต้องมั่นใจว่าเราได้กลับใจเสียใหม่เราได้มอบถวนชีวิตของเราให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งที่สําคัญก็คือเราบังเกิดใหม่จริงๆริหรือยังเรามั่นใจในความรอดอีกถจิงเรือยงหากว่าเราไม่ได้มั่นใจขอขอให้เราคุกเข่าลงครับและสรภาพบาปทูลขอการไปโทษจากพระเจ้าเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและแตัดสินใจติดตาม องค์ให้พระองค์ส่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดชีวิตของท่านในนี้คือเบสิคพื้นฐานครับในการที่เราจะเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยเหตุดีเองทำให้เราเปลี่ยนจากข้าวละมานกลายเป็นข้าวสาวลีครับและในเวลาเดียวกันเราก็รู้ว่าเรามีความมั่นใจเมื่อเราจาับลูกที่ไปแล้วเราจะได้ไปอยู่กับองพระผู้เป็นเจ้าครับเราจะได้รับความรอดเราจะมีชีวิตนิรันดรพี่น้องครับ ในขณะที่เที่ยจากนั้นมีต้นข้าวละมานอยู่ให้เราอที่ฐานเบื่อต้นข้าวละมานเหล่านี้เพื่อที่พระเจ้าจะทรงเมตตาเขาเปลี่ยนเขาให้เป็นข้าวสาลีแต่ในขณะเดียวกันครับอย่าคิดที่จะถอนต้นละมานครับเพราะว่าถ้าถอนต้นละมานเมื่อไหร่ข้าวสาลีก็จะหลุดไปด้วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกให้รอเมื่อถึงเวลาที่ภากษา พระเจ้าก็จะนำพานแม่ท่งอยู่ไว้ซึ่งความยุติธรรมครับขออย่าให้เราเป็นห่วงขออย่าให้เรากังวลแต่ให้เรามอบคนเหล่านั้นให้กับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเขาขอที่ฐานอวยพเขาขอองค์ทรงตัวเมตตาเขาให้เขาได้กลับใจรวมทั้งพวกเราเองด้วยหากมีใครก็ตามที่มีความรู้สึกยี้มมืออไมื่ออยากไม่มั่นใจในความพรอดสิ่งต่างที่เราทำเพื่อพระเจ้า ไม่มีในยย่สำคัญเลยครับถ้าว่าเราไม่ได้รับความรอดน้องครับขอพระเจ้าช่วยเราและเสริมกำลังพวกเราอาเมน